92้าสิบสอาปฏิปฏิกรรมะวิธีว่าด้วยวิธีแก้ไขอาบัติเรื่องภิกษุต้องอาบัติในวันอุโบสถข้อหนึสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัติในวันอุโบสถนั้นภิกษุนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุมีอาบัติติดตัวไม่พึงทําอุโบสถ ด, ดังนี้ก็เราต้องอาบัติแล้วจะเพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ในวันอุโบสถนั้นภิกษุต้องอบัตภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นผมอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่งนัง่งประโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าผมต้องอบัตชื่อนี้ขอแสดงคืนอบัตนั้นครับภิกษุผู้รับพึงถามว่าท่านเห็นหรือ ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่าขอรับผมเห็นภิกษุผู้รับพึงถามว่าท่านพึงสํารวมต่อไปไม่แน่ใจในอาบัตภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในวันอุโบสถนั้นภิกษุมีความไม่แน่ใจในอาบัตภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งห่มอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งประโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า ผมมีความไม่แน่ใจในอาบัตมีชื่อนี้ขอรับเมื่อผมหมดความไม่แน่ใจจะทําคืนอาบัตนั้นแล้วทําอุโบสถฟังปาธิโมกแต่ไม่ต้องทําอันตรายต่ออุโบสถเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยเรื่องแสดงสภาคาบัตสมัยนั้นพวกภิกษุชาวพุทแสดงสภาขาบัตภิกษุตั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ